ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าภายในป่านั้นมีพูดผีปีศาจดุร้ายพอตกเวลาค่ำคืนพูดผีปีศาจมันก็ออกมาหลอกมาหลอนแสดงหน้าตาให้หน่าเกลียดน่ากลัวทรงกลิ่นเหม็นประหลกบริเวณจนพระทนไม่ไหวก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านส่งทราบท่านก็สอนในพระพิสุขจเจริญบทพุทธคุณคืออิติปิโสบทธรรมคุณคือสวากขาโต